อิธปาทวิพังนึ่งสุตันตะพาชนีอิธิบาสีได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขาร 2. เจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขาร 3. เจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิและประธานสังขาร4 เจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารหนึ่งชั้นทิฏฐิบาทภิกษุเจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยฉั้นทสมาธิและประธานสังขารเป็นอย่างไรถ้าภิกษุทำฉั้นทะให้เป็นอธิปดีแล้วได้สมาธิได้เอโลกคตาจิตนี้เรียกว่าฉันทสมาธิภิกษุนั้นสร้างฉั้นทะพยายามปรารบความเพียนประคองจิต มุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดพิสษุนั้นสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพีย์ประคองจิตมุ่งมั ia, ่นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดแล้วพิสูจนั้นสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพีย์ประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดพิสูจนั้นสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพีย์ประคองจิตมุ่งมั่น เพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพินโยภาพภัยบูย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดแล้วทำเหล่านี้เรียกว่าประธานสังขารประมวลย่อฉันทสมาธิและประธานสังขารเข้าเป็นอย่างเดียวกันจึงนับได้ว่าฉันทสมาธิและประธานสังขารด้วยประการฉนิบรรดาธรรมเหล่านั้นฉันทะเป็นฉไฉนความพอใจการทําความพอใจ ความเป็นผู้ประสงค์จะทำความฉลาดความพอใจในธรรมนี้เรียกว่าฉันทะสมาธิเป็นไนความตั้งอยู่ความดำรงอยู่ความตั้งมั่นความไม่สายไปความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตภาวะที่จิตไม่ชัดายสมถะสมาธินสีสมาธิพละสัมมาสมาธินี้เรียกว่าสมาธิประธานสังขารเป็นไน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 พิสุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วเข้าไปถึงแล้วด้วยดีเข้ามาถึงแล้วเข้ามาถึงแล้วด้วยดีเข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วด้วยดีประกอบแล้วด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารนี้ด้วยประการศนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขานข้ามว่าอิทิมีอธิบายว่าความสําเร็จความสําเร็จด้วยดีกิริยาที่สําเร็จ กิริยาที่สำเร็จด้วยดีความได้ความได้เฉพาะความถึงความถึงด้วยดีความถูกต้องการทำให้แจ้งความเข้าถึงธรรมเหล่านั้นคำว่าอิทธิบาตมีอธิบายว่าเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันของบุคคลผู้เป็นอย่างนั้นคำว่าเจริญอิทธิบาตมีอธิบายว่าภิสุเสพเจริญทำให้มากซึ่งธรรมเหล่านั้น เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเจริญอิทธิบาทสองวิริยอิทธิบาทภิกษุเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารเป็นอย่างไรถ้าภิกษุทำวิริยะให้เป็นอธิปดีแล้วได้สมาธิได้เอกลัคษตาจิตนี้เรียกว่าวิริยสมาธิภิกษุนั้นสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียนประคองจิต มุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศสธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดและถึงเพื่อละบาปอกุโสรธรรมที่เกิดแล้วเพื่อยังกุโสรธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดพิกษุนั้นสร้างฉันทะพยายามปรารกความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพิญโยภาพภัยบู์เจริญเต็มที่แห่งกุโสรธรรมที่เกิดแล้วทำเหล่านี้เรียกว่าประธานแสังขาร ประมวลย่อวิริยะสมาธิและประธานสังขารเข้าเป็นอย่างเดียวกันจึงนับได้ว่าวิริยะสมาธิและประธานสังขารด้วยประการฉนีบรรดาธรรมเหล่านั้นวิริยะเป็นไนการปรารกความเพียรทางใจสัมมาวายามะนิเรียกว่าวิริยะสมาธิเป็นไนความตั้งอยู่ความดำรงอยู่ความตั้งมั่นความไม่สายไปความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิต ภาวะที่จิตไม่ชักส่ายสมถะสมาธินีสมาธิภละสัมมาสมาธินี้เรียกว่าสมาธิประธานสังขารเป็นไนการปรารบความเพียรทางใจสัมมาวายามะนี้เรียกว่าประธานสังขารพิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบแล้วด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขาร น, นี้ด้วยประการศนีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า ประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารคําว่าอิทธิมีอธิบายว่าความสําเร็จความสําเร็จด้วยดีเิริยาที่สําเร็จเิริยาที่สําเร็จด้วยดีความได้ความได้เฉพาะความถึงความถึงด้วยดีความถูกต้องการทําให้แจ้งความเข้าถึงธรรมเหล่านั้นคําว่าอิทธิบาทมีอธิบายว่า เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันของบุคคลผู้เป็นอย่างนั้นคำว่าเจริญอิธิบาทมีอธิบายว่าภิกษุเสบเจริญทำให้มากซึ่งทำเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเจริญอิธิบาท 3. จิตติอิธิบาทภิกษุเจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิและประธานนสังขารเป็นอย่างไร ถ้าภิกษุทำจิตให้เป็นอธิปดีแล้วได้สมาธิได้เอกขัตตาจิตนี้เรียกว่าจิตตสมาธิภิกษุนั้นสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุณศรธรรมที่ยังไม่เกิดเนี่ใเกิดละถึงเพื่อละบาปอกุณศรธรรมอันเกิดแล้วเพื่อทํากุณศรธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดภิกษุนั้นสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิต มุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพิญโยภาพภัยบูนเจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วทมเหล่านี้เรียกว่าประธานสังขารประมวลย่อจิตตสมาธิและประธานสังขารเข้าเป็นอย่างเดียวกันจึงนับได้ว่าจิตตสมาธิและประธานสังขารบรรดารมเหล่านั้นจิตเป็นชนจิตมโนโมนัตมโนวิญญาณธาที่เหมาะสมกัน นิเรียกว่าจิตสมาธิเป็นไนความตั้งอยู่แห่งจิตสัมมาสมาธินี้เรียกว่าสมาธิประธานสังขารเป็นไนการประารุความเพียรทางใจสัมมาวายามะนี้เรียกว่าประธานสังขารภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบแล้วด้วยจิตนี้ด้วยสมาธินี้และด้วยประธานสังขาร น, นี้ด้วยประการฉนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า ประกอบด้วยจิตตะสมาธิประธานสังขารคำว่าอิทิมีอธิบายว่าความสำเร็จความสำเร็จด้วยดีกิริยาที่สาเร็จกิริยาที่สาเร็จด้วยดีความได้ความได้เฉพาะความถึงความถึงด้วยดีความถูกต้องการทำให้แจ้งความเข้าถึงธรรมเหล่านั้นคำว่าอิทิบาสมีอธิบายว่าเวทนาขันสัญญาขันสังขารขัน และวิญญาณขันธ์ของบุคคลผู้เป็นอย่างนั้นคําว่าเจริญอิธิบาทมีอธิบายว่าภิกษุเสพเจริญทําให้มากซึ่งทำเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเจริญอิธิบาท 4. วิมังสิธิบาทพิสุเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารเป็นอย่างไรถ้าพิสุทําวิมังสาให้เป็นอธิปดีแล้วได้สมาธิได้เอกลักษตาจิต น no, ี้เรียกว่าวิมังสาสมาธิภิกษุนั้นสร้างฉันทะพยายามปรารุกความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุณธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดและถึงเพื่อละบาปอคุณธรรมที่เกิดแล้วเพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดภิกษุนั้นสร้างฉันทะพยายามปรารุกความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหาย พินโยภาพไพบูนเจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดแล้วทมเหล่านี้เรียกว่าประธานสังขารประมวลย่อวิมังสาสมาธิและประธานสังขารเข้าเป็นอย่างเดียวกันจึงนับได้ว่าวิมังสาสมาธิและประธานสังขารบรรดาธรรมเหล่านั้นวิมังสาเป็นไนปัญญาความรู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิ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 ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารคำว่าอิทธิมีอธิบายว่าความสำเร็จความสำเร็จด้วยดียุรยาที่สำเร็จยุรยาที่สำเร็จด้วยดีความได้ความได้เฉพาะความถึงความถึงด้วยดีความถูกต้องการทำให้แจ้งความเข้าถึงธรรมเหล่านั้นคำว่าอิทธิบาสมีอธิบายว่าเวทนาขันสัญญาขันสังขารขัน และวิญญาณขันธ์ของบุคคลผู้เป็นอย่างนั้นคำว่าเจริญอิทธิบาทมีอธิบายว่าภิกษุเสดเจริญทำให้มากซึ่งทำเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเจริญอิทธิบาทสุตันตภาชนีจบ พิธรรมาภาชนีอิธิบาท4ได้แก่พิสุในธรรมวินัยนี้ 1. นเจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขาร 2. จเจริญอิธิบาทที่ทประกอบด้วยวิริยะ ส, สมาธิและประธานสังขาร 3. เจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิและประธานสังขาร 4. เจริญอิธิบาที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขาร 1. ชั้นทิฏฐิบาตพิสุเจริญอิทิบาตที่ประกอบด้วยชั้นธาสมาธิและประธานสังขารเป็นอย่างไรพิสุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกให้ถึงนิพพานเพื่อละทิชิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพิสุชื่อว่า เจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารบรรดาสภาวธรรมเหล่านั้นฉันทะเป็นไฉนะความพอใจการทําความพอใจความเป็นผู้ประสงค์จะทําความฉลาดความพอใจในธรรมนี้เรียกว่าฉันทะสมาธิเป็นไฉนะความตั้งมั่นแห่งจิตสัมมาสมาธิสมาธิสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสมาธิ ประธานสังขารเป็นไนการปรารบความเพียรทางใจสัมมาวายามะวิริยะสัมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับหนึ่งในมรรคนี้เรียกว่าประธานสังขารภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบแล้วด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขาร น, นี้ด้วยประการศนิเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารคําว่าอิทิมีอธิบายว่า ความสำเร็จความสำเร็จด้วยดีกิริยาที่สำเร็จกิริยาที่สำเร็จด้วยดีความได้ความได้เฉพาะความถึงความถึงด้วยดีความถูกต้องการทำให้แจ้งการเข้าถึงสภาวะธรรมเหล่านั้นคำว่าอิธิบาทมีอธิบายว่าความกระทบ ก, การประคองความไม่ฟุ้งซ่านของบุคคลผู้เป็นอย่างนั้นคำว่าเจริญอิธิบาตมีอธิบายว่า ภิกษุเสพเจริญทำให้มากซึ่งสภาวะธรรมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเจริญอิทธิบาท2วิริยอิทธิบาทภิกษุเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุคให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงดจากกาม บรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารบรรดาสภาวธรรมเหล่านั้นวิริยะเป็นไนาการปรารบความเพียรทางใจสัมมาวายามะวิริยะสัมโพชงอันเป็นองค์มักนับเนื่องในมักนี้เรียกว่าวิริยะสมาธิเป็นไน ความตั้งมั่นแห่งจิตสัมมาสมาธิสมาธิสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับหนึ่งในมรรคนี้เรียกว่าสมาธิประธานสังขารเป็นไนการปรารุความเพียรทางใจสัมมาวายามะวิริยสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับหนึ่งในมรรคนี้เรียกว่าประธานสังขาร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 ความเข้าถึงสภาวะธรรมเหล่านั้นคำว่าอิธิบาตมีอธิบายว่าความกระทบและถึงการประคองความไม่ฟุ้งซ่านของบุคคลผู้เป็นอย่างนั้นคำว่าเจริญอิธิบาตมีอธิบายว่าพิสุ์เสพเจริญทําให้มากซึ่งสภาวะธรรมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเจริญอิธิบาทสาจิตติธิบาท ภิกษุเจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิและประธานสังขารเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระซึ่งเป็นเหตุนําออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงมิพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสังกัดจากรามบรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาภิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิ และประธานสังขารบรรดาสภาวธรรมเหล่านั้นจิตเป็นไนจิตมโนโมานั์มโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตสมาธิเป็นไนความตั้งอยู่แห่งจิตสัมมาสม า, สมาธิสมาธิสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับหนื่งในมรรคนี้เรียกว่าสมาธิประธานสังขารเป็นไน การประารุความเพียรทางใจสัมมาวายามะวิริยะสัมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับหนึ่งในมรรคเี้เรียกว่าประธานสังขารภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบแล้วด้วยจิตนี้ด้วยสมาธินี้และด้วยประธานสังขารนี้ด้วยประการศนีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าประกอบด้วยจิตตสมาธิและประธานสังขารคำว่าอิทธิมีอธิบายว่าความสําเร็จ ความสำเร็จด้วยดีกิริยาที่สำเร็จคิริยาที่สาเร็จด้วยดีความได้ความได้เฉพาะความถึงความถึงด้วยดีความถูกต้องการทําให้แจ้งความเข้าถึงสภาวะธรรมเหล่านั้นคาว่าอิธิบาเมีอธิบายว่าความกระทบการประคองความไม่ฟุ้งซ่านของบุคคลผู้เข้าถึงสภาวะธรรมเหล่านั้นคาว่าเจริญอิธิบาตมีอธิบายว่า ภิสุเสพเจริญทำไม่มากซึ่งสภาวะธรรมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเจริญอิทิบาท 4. วิมังสิทธิบาทพิสุเจริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารเป็นอย่างไรพิกสุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุคุให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงดจาักราม บรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพิกษุชื่อว่าเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารบรรดาธรรมเหล่านั้นวิมังสาเป็นไนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิธรรมวิชยสัมโพชฌงอันเป็นองค์มักนับหนในมัก นี้เรียกว่าวิมังสาสมาธิเป็นไนความตั้งมั่นแห่งจิตสัมมาสมาธิสมาธิ ส, สัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับหนึ่งในมรรคนีน้เรียกว่าสมาธิประธานสังขารเป็นไนความปรารบความเพียนทางใจสัมมาวายามะวิริยะสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับหนึ่งในมรรคนี้เรียกว่าประธานสังขารภิสุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว เข้าไปถึงแล้วด้วยดีเข้ามาถึงแล้วเข้ามาถึงแล้วด้วยดีเข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วด้วยดีประกอบแล้วด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขาร น, นี้ด้วยประการาชนีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขาร hmm. คำว่าอิทิมีอธิบายว่า there, ความสำเร็จความสาเร็จด้วยดีจิริยาที่สาเร็จจิริยาที่สาเร็จด้วยดีความได้ ความได้เฉพาะความถึงความถึงด้วยดีความถูกต้องการทําไม่แจ้งการเข้าถึงสภาวะธรรมเหล่านั้นคําว่าอธิบาตมีอธิบายว่าความกระทบการประคองความไม่ฟุ้งร้างของบุคคลผู้เป็นอย่างนั้นคําว่าเจริญอธิบาตมีอธิบายว่าพิกษุเสพเจริญทําให้มากซึ่งสภาวะธรรมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเจริญอธิบาต อธิบาี่คือ 1. นชั้นทิธิบาทธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบความสําเร็จคือฉันทะ 2. วิริยธิบาทธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบความสําเร็จคือวิริยะ 3. จิตติธิบาทธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบความสําเร็จคือจิตตะสี่วิมังสิธิบาทธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบความสําเร็จคือวิมังสา 1. นชั้นทิธิบาท บรรดาอิธิบาสีนั้นฉันทิธิบาทเป็นไนพิสุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสังัดจจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความพอใจการทาความพอใจความเป็นผู้ประสงค์จะทำความฉลาด ความพอใจในธรรมนี้เรียกว่าชั้นทิฏฐิบาสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมพยุ ด, ด้วยชั้นทิฏฐิบาทสองวิริยทิฏฐิบาทวิริยทิฏฐิบาทเป็นไนพิสูจในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุคให้ถึงนิพพานเพื่อละทิชิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากบามบรรลุปฐมฌาน ที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นการประารกความเพียรทางใจสัมมาวายามะวิริยะสัมโพชฌงอันเป็นองค์มรรคนับหนึ่งในมรรคนี้เรียกว่าวิริยติบาทสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยวิริยติบาทสาจิตติทิบาทจิตติทิบาทเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้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 วิมังสิทธิบาทวิมังสิทธิบาทเป็นไนภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสังัดจจากกามบรรลุปถมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิธรรมวิจยะสัมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับหนึ่งในมรรคนี้เรียกว่าวิมังสิทธิบาทสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยวิมังสิทธิบาทอภิธรรมพภาชนีจบ อิธิบาทีได้แก่พิสุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิและประธานสังขาร 2. เจริญอิทธิบาทที the ่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขาร 3. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิและประธานสังขาร 4. เจริญอิธิบาที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขาร ตึ ก, กะมาติ ก, กาปุจชาทุกกะมาติ ก, กาปุจชาบรรดาอิทิบาสีอิทิบาทเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอภัยอกฤจเท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้หนึ่งเตึกะมาติ ก, กาวิสัชนาหนึ่งถึงยี่สองอุชลติ ก, กาธิวิสัชนาอิทธิบาสีเป็นกุศลอย่างเดียว อิธิบาสีที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอุทุคคมสุขเวทนาก็มีอิธิบาสีเป็นเหตุให้เกิดวิบากอิสีการมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอิธิบาสีกิเลสไม่ทําให้เศร้ามองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอิธิบาสีที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณก็มี ที่ไม่มีชั้งวิตกและวิจารก็มีอิทิบาสีที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยอุเบขาก็มีอิทิบาสีไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามอิทิบาสีไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามอิทิบาสีเป็นเหตุให้ถึงมิพานอิทิบาสีเป็นของเสขบุคคล อิทธิบาทสี่เป็นอัปมานะอิทธิบาทสี่มีอัปมานะเป็นอารมณ์อิทธิบาทสี่เป็นชั้นปราณีอิทธิบาทสี่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนอิทธิบาทสี่ไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์อิทธิบาทสี่มีมรรคเป็นเหตุอิทธิบาทสี่ไม่ใช่มีมรรคเป็นอธิปดีอิทธิบาทสี่ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่า จกเกิดขึ้นแน่นอนอิทธิบาทสี่ที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นป ujemy, ัจจุบันก็มีอิทธิบาทสี่กล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีอิทธิบาทสี่ที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มี อิธิบาสี่มีทมภายนอกตนเป็นอารมณ์อิธิบาสี่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้สองทุกกรรมาวิสัชนาหนึ่งเหตุขโคฉกะวิสัชนาวิมังสิธิบาเป็นเหตุอิธิบาสามไม่เป็นเหตุอิธิบาสี่มีเหตุอิธิบาสี่ชำปรยุทธ์ด้วยเหตุวิมังสิธิบาเป็นเหตุและมีเหตุอิธิบาสามกล่าวไม่ได้ว่า เป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุวิมังสิธิบาทเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุอิธิบาสามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุหรือสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอิธิบาสามไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุวิมังสิธิบาทกล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุสองถึงเกจุลันตะทุกกาธิวิสัชนา อิทธิบาทสีมีปัจจัยปรุงแต่งอิทธิบาทสีถูกปัจจัยปรุงแต่งอิทธิบาทสีเห็นไม่ได้อิทธิบาทสีกระทบไม่ได้อิทธิบาทสีไม่เป็นรูปอิทธิบาทสีเป็นโลกุตระอิทธิบาทสี่จิตบังดวงรู้ได้อิทธิบาทสีจิตบังดวงรู้ไม่ได้อิทธิบาทสีไม่เป็นอาสวะอิทธิบาทสีไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอิทธิบาทสีวิปยุตจากอาสวะ อิทธิบาทสี่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอิทธิบาทสี่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุด้วยอาสวะหรือสัมปะยุด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอิทธิบาทสี่วิปยุจจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอิทธิบาทสีไม่เป็นสัโยชน์ไม่เป็นคันทะไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะ ไม่เป็นนิวรณ์ไม่เป็นปรามาตยสิทมหันตระทุกข ว, วิจชนาอิทิบาสีรับรู้อารมณ์ได้อิทิบาสามไม่เป็นจิตจิตติทิบาทเป็นจิตอิทิบาสามเป็นเจตสิกจิตติทิบาทไม่เป็นเจตสิกอิทิบาสามสัมปยุทธ์ด้วยจิตจิตติทิบาทกล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยจิตหรือวิปยุทธ์จากจิตอิทิบาสามระคนกับจิต จิตติธิบาทกล่าวไม่ได้ว่ารักคนกับจิตหรือไม่รักคนกับจิตอิทธิบาทสามมีจิตเป็นสมุทฐานจิตติธิบาทไม่มีจิตเป็นสมุทฐานอิทธิบาทสามเกิดพร้อมกับจิตจิตติธิบาทไม่เกิดพร้อมกับจิตอิธิบาทสามเป็นไปตามจิตจิตติธิบาทไม่เป็นไปตามจิตอิทธิบาทสามรัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐาน จิตต hmm. <k prepar ers> ิธิบาทไม่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานอิทธิบาทสามรัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตจิตติธิบาทไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตอิธิบาทสามรักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตจิตติธิบาทไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตอิธิบาทสามเป็นภายนอก จิตติที่บาปเป็นภายในอิทิบาสีไม่เป็นอุปาทายรูปอิทิบาสีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือสิบอดถึงสิบสาอุปาทานะโคจกาธิวิสัชนาอิทิบาสีไม่เป็นอุปาทานไม่เป็นกิเลสอิทิบาสีไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามอิทิบาสีไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบืงบนสาม อธิบาสีที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็ม ah ีอิธิบาสีที่มีวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิจารณ์ก็มีอิธิบาสีที่มีปิติก็มีที่ไม่มีปิติก็มีอิธิบาสีที่สหรคตด้วยปิติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปิติก็มีอิธิบาสีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มี อิธิบาสีที่สหอรโคด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรโคด้วยอุเบกขาก็มีอิธิบาสีไม่เป็นกามาวจารอิธิบาสีไม่เป็นรูปาวจารอิธิบาสีไม่เป็นอรูปาวจารอิธิบาสีไม่นับเนื่องในวัตถุกข์อิธิบาสีเป็นเหตุนำออกจากวัตถุกข์อิธิบาสีให้ผลแน่นอนอิธิบาสีไม่มีทำอื่นยิ่งกว่า อิธิบาสีไม่เป็นเหตุให้สัตร้องไห้ปัญหาปุชกะจบอิธิปาทวิพังจบบริบูรณ์สิบพ่อชังข้าวิพังหนึ่งสุตันตะภาชนี พ่องเจ็ดในที่หนึ่งพ่อชงเจ็ดคือหนึ่งสติสัมโอชงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือสติสองธรมมวิจยสัมโอชงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือธรรมวิจยะสวิริยะสัมโอชงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือวิริยะ 4. ปีติสัมโอชงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือปีติห ปัตติสมัมโพชงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือปัตติ 6. สมาธิสมัมโพชงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือสมาธิเจ็ 7. อุเบกขาสามัมโพชงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คืออุเบกขาบรรดาโพชงเจ็ดเหล่านั้นสติสมัมโพชงเป็นไงพิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติและปัญญาอันยิ่งเป็นผู้ระลึกได้ เรเลึกถึงกิจที่ทําไว้นานๆหรือวาจาที่กล่าวไว้นานๆได้นี้เรียกว่าสติสัมโพชงธรรมวิจยสัมโพชงเป็นไนพิษุนั้นเป็นผู้มีสติอยู่อย่างนั้นวิจัยเลือกสรรทบทวนสอบสวนธรรมนั้นด้วยปัญญานี้เรียกว่าธรรมวิจยสัมโพชงวิริยะสัมโพชงเป็นไนความเพียรความไม่ย่อท้อ อันภิกษุนั้นผู้วิจัยเลือกสรรทบทวนสอบสวนธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารภแล้วนี้เรียกว่าวิริยะสัมโพชงปีติสัมโพชงเป็นไนปีติที่ปราศจากอามิย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรนี้เรียกว่าปีติสัมโพชงปัสสติสัมโพชงเป็นไนกายก็ดีจิตก็ดีของภิกษุผู้มีใจเอิบออิ่มย่อมสงบระงับ นี้เรียกว่าปัสสิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงเป็นไนจิตของภิกษุผู้มีกายสงบผู้มีความสุขย่อมตั้งมั่นนี้เรียกว่าสมาธิสัมโพชงอุเบกขาสัมโพชงเป็นไนภิกษุนั้นเป็นผู้วางเฉยด้วยดีซึ่งจิตที่ตั้งมั่นอย่างนั้นนี้เรียกว่าอุเบกขาสัมโพชงโพชงเจ็ดในที่สองโพชงเจ็ดคือ หนึ่งสติสัมโพชงสองธรรมวิจยสัมโพชงสวิริยสัมโพชงสปิติสัมโพชงหปาปสติสัมโพชงหสมาธิสัมโพชงเจ็ดอุเบกขาสัมโพชงบรรดาโพชงเจ็ดเหล่านั้นสติสัมโพชงเป็นไนะสติในธรรมภายในตนก็มีในธรรมภายนอกตนก็มี สติในธรรมภายในตนก็คือสติสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานถึงสติในธรรมภายนอกตนก็คือสติสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นไนความเลือกสรรธรรมในธรมนธรมภายในตนก็มีในธรรมภายนอกตนก็มี ความเลือกสันธรรมในธรรมภายในตนก็คือธรรมวิจยะสัมโพชงย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานถึงความเลือกสรรธรรมในธรรมภายนอกตนก็คือธรรมวิจยะสัมโพชงย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานวิริยะสัมโพชงเป็นไนความเพียนทางกายก็มีทางใจก็มี ความเพ kannst, ียรทางกายก็คือวิริยะสัมโพชงย่อมเป็นไปเพื Kum ่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานถึงความเพียรทางใจก็คือวิริยะสัมโพชงย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานปีติสัมโพชงเป็นไนปีติที่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีปีติที่มีทั้งวิตกและวิจารก็คือปีติสัมโพชง ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง <reiter ating> เพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานถึงปีติที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็คือปีติสัมโพชงย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานปัสถิสัมโพชงเป็นไน ก, กายปัสถิก็มีจิตตปัสถิก็มีกายปัสถิก็คือปัสถิสัมโพชงย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพาน ถึงจิตตปสัตก็คือปสัสธิสัมโพชงย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานสมาธิสัมโพชงเป็นไนสมาธิที่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีสมาธิที่มีทั้งวิตกและวิจารก็คือสมาธิสัมโพชงย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพาน ถึงสมาธิที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็เพื่อสมาธิสัมโภชงย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานอุเบกขาสัมโภชงเป็นไนอุเบกขาในธรรมภายในตนก็มีในธรรมภายนอกตนก็มีอุเบกขาในธรรมภายในตนก็คืออุเบกขาสัมโภชงย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพาน ถึงอุเบกขาในธรรมภายนอกตนก็คืออุเบกขาสัมโพชงย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพานพุทชงเจตในที่สามพุทชงเจตคือหนึ่งสติสัมโพชงสองธรรมวิจยสัมโพชงสามวิริยสัมโพชงสี่ปิติสัมโพชงห้าปสติสัมโพชงหกสมาธิสัมโพชง เจ็ดอุเปกขาสัมโพชงบรรดาผู้ชงเจ็ดเหล่านั้นสติสัมโพชงเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญสติสัมโพชงที่อาศัยวิเวอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปเพื่อความปล่อยวาง 2. จเจริญธรรมวิจยสัมโพชงและถึงสเจริญวิริยะสัมโพชงสเจริญปิติสัมโพชง ห้าเจริญปัสธิสัมโพชฌงค์หกเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์เจ็ดเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปเพื่อความปล่อยวางสุตตันตภาชนีจบ ธรรมมภาชนีเอกโตปุจชาวิสัชนาโภชงเจ็ดคือหนึ่งสติสัมโู้ชงสองธรรมวิจยสัมโู้ชงสวิริยสัมโู้ชงสี่ปีติสัมโู้ชงหปัสสติสัมโู้ชงหสมาธิสัมโู้ชงเจ็ดอุเบกขาสัมโู้ชงในสภาวะธรรมเหล่านั้นโูชงเจ็ดเป็นไน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 สติสัมโัสชงเป็นไนสติความตามระลึกสัมมาสติสติสัมโัสชงอันเป็นองค์มรคนับหนึ่งในมรคนี้เรียกว่าสติสัมโัสชงธรรมวิจยสัมโัสชงเป็นไนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิธรรมวิจยสัมโัสชงอันเป็นองค์มรคนับหนึ่งในมรค นี้เรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงเป็นไนการปรารบความเพียรทางใจสัมมาวายามะวิริยสัมโพชงอันเป็นองค์มักนับเนื่องในมักนี้เรียกว่าวิริยะสัมโพชงปิติสัมโพชงเป็นไนความอิ่มเอิบความปราโมดความยินดีอย่างยิ่งความบันเทิงความร่าเริงความเรื่นเริงความปลื้มใจ ความตื่นเต้นความที่จิตชื่นชมยินดีปิติสัมโพชงนี้เรียกว่าปิติสัมโพชงปัจติสัมโพชงเป็นไนความสงบความสงบระงับริยาที่สงบกิยาที่สงบระงับภาวะที่สงบระงับแห่งเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันปัจติสัมโพชงนี้เรียกว่าปัจธิสัมโพชง สมาธิสัมโพชงเป็นไนความตั้งมั่นแห่งจิตสำมาสมาธิสมาธิสัมโพชงอันเป็นองค์มักนับเนื่องในมักนี้เรียกว่าสมาธิสัมโพชงอุเบกขาสัมโพชงเป็นไนอุเบกขาความวางเฉยความเพ่งเฉยความวางจิตเป็นกลางอุเบกขาสัมโพชงนี้เรียกว่าอุเบกขาสัมโพชงสภาวะธรรมเหล่านี้เรียกว่า พชงเจ็ดสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยโพ่อชงเจ็ด